ร่วงพลูออกจากฝ่ามือของเราเป็นสายลงไปนั้นก็มีเสียงดังแววเบาเกิดขึ้นเป็นเสียงแหลมไพเราะเหมือนเสียงดนตรีคล้ายๆกับว่ามเมล็ดของมันได้ถูกโปรยล่วงลงไปกระทบลิ้นเสียงของเครื่องดนตรีอันแสนละเอียดอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งฉชนนั้นความจริงดังกล่าวมานี้อาจเป็นของประหลาดไม่น้อยในทัศนะของชาวโลกมนุษย์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 ก็สุดแล้วแต่ความบริสุทธิ์ของเสียงของนักร้องผู้นั้นหรือของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเป็นสำคัญตอนที่15การและอวกาศการชาวโลกมนุษย์โดยมากมักเข้าใจว่าไม่มีการและอวกาศในโลกทิพย์ทงนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งในโลกเรามีการและอวกาศอยู่ทั้งสองประการ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 ณที่นี้มีแต่ความสว่างอยู่ตลอดเวลาอากาศก็อบอุ่นสบายอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือร่างกายของเราไม่มีภาระหนักเหมือนดังเช่นร่างกายมนุษย์เพราะงานหนักที่จะต้องปฏิบัติบำรุงร่างกายในเมื่อเกิดความหิวกระหายหรือเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย น, นั้นเป็นอันหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้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 ช้าบ้างเร็วบ้างสุดแลแต่กรณีตัวอย่างเช่นบุคคลที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวดยางรุนแรงเพียงห้านาทีเท่านั้นก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็นเวลานานเหลือเกินโดยในยะตรงกันข้ามบุคคลผู้ที่ได้รับความสุขและเพลิดเพลินก็รู้สึกเหมือนว่าห้านาทีนั้นผ่านไปรวดเร็วมากคล้ายๆกับว่าเป็นห้าวินาทีเท่านั้น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 นอกจากนี้ก็มีท่านผู้อื่นอีกหลายท่านผู้ซึ่งมีความประสงค์ในทำนองเดียวกันท่านเหล่านี้ได้คอยสังเกตความเป็นไปของโลกมนุษย์อยู่ด้วยความสนใจอย่างยิ่งทางนี้เพื่อรอจังหวะที่จะมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งจะทำให้ชาวโลกมนุษย์ได้มีโอกาสทราบความเป็นไปหรือความจริง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 สามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและยังสามารถกากำหนดไว้อย่างแม่นยำอีกด้วยว่าเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนั้นจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดที่ไหนและเมื่อไรซึ่งอำนาจที่จะแรงเห็นเหตุหการณ์ในอนาคตในระยะไกลเช่นนี้ยังอยู่เกินวิสัยของข้าพเจ้าอย่างมากมายตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้กระทำจิตให้ปราณีต เลื่อนขึ้นไปถึงชั้นภูมินั้นได้ซะก่อนแล้วก็จะไม่สามารถมียานอลึกซึ่งเช่นนั้นได้เป็นอันขาดอวากาศเมื่อกล่าวถึงเรื่องอวากาศก็พอจะกล่าวได้อย่างกว้างว่าเรื่องอวากาศก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคทิพย์เหมือนกันแต่ก็เป็นไปในลักษณะแตกต่างกันกันกบโรคมนุษย์ทั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องการหรือเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง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 โดยไม่ผิดพลาดในเรื่องเวลาแต่อย่างใดแม้ว่าเราจะไม่มีนาฬิกาหรือกำหนดนับเวลาไว้อย่างชาวโลกมนุษย์ก็ตามตอนที่16ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ละทิ้งกายเนื้อมาคลองกายทิพย์โดยสมบูรณ์ท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับโลกทิพย์และความเป็นอยู่ของผู้คลองกายทิพย์มาแล้วเป็นอันมากกว่าจริงในระหว่างนั้น กล่าวคือในระยะก่อนที่ท่านจะได้หลุดจากกายเนื้อซึ่งชาวโลกมนุษย์สมมติเรียกกันว่าความตายนั้นท่านก็คงจะได้นึกฝันเอาไว้บ้างไม่มากก็น้อยว่าเมื่อขณะนั้นมาถึงเข้าจริงๆท่านคงจะรู้สึกเช่นนั้นเช่นนี้ต่างๆนานาแต่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทราบความจริงประการหนึ่งว่าความรู้สึกเช่นนั้นเป็นเรื่องพลวิสัย ที่จะบรรยายด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือให้เท่าเทียมกับความจริงได้ทั้งเป็นของลึกซึ้งและใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะนึกฝันหรือคาดคะเนล่วงหน้าได้จริงๆท่านอาจจะนึกฝันไว้ล่วงหน้าเท่าใดเ ท, ท่าใดก็ได้แต่เมื่อขนาดนั้นมาถึงเข้าท่านก็จะต้องได้พบความประหลาดใจที่สิ่งที่ท่านนึกฝันไว้ต่างๆนานานั้นไม่เท่าเทียมกับความรู้สึกอันแท้จริง ที่ท่านจะต้องประสบได้ตนเองในขณะอันสําคัญเช่นนั้นเลยทุกๆุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็จะรับรองในความจริงเช่นนี้เหมือนกันหมดว่าความรู้จากหนังสือหรือจากการคาดคะเนนึกฝันเอานั้นห่างไกลาจากความรู้สึกที่แท้จริงอย่างเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวบุคคลในโลกทิพย์นั้นเมื่อกลับมาติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ก็มาจะรู้สึกอึดอัด ไม่ทราบว่าจะบรรยายความรู้สึกและสภาวะความเป็นอยู่ของตนให้ชาวโลกมนุษย์ฟังได้อย่างไรจึงจะสามารถให้เขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างที่สุดความรู้สึกเช่นนี้มีเหมือนเหมือนกันหมดในเมื่อท่านเหล่านั้นพยายามจะตอบคำถามของชาวโลกมนุษย์ที่ว่าสภาวะความเป็นอยู่ของโลกทิพย์นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ส่วนมากติดอยู่ในคำพูดและภาษาของตนซึ่งอันที่จริงมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ไม่สามารถจะบรรยายให้เห็นแจ้งหรือเข้าใจได้เพียงด้านคำพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลกทิพย์ซึ่งสำเร็จและเป็นอยู่ด้วยธาตุจใจอย่างเดียวเท่านั้นยิ่งเป็นของแสนยากที่จะนำมาบรรยายด้วยคาพูดให้ลึกซึ้งเท่าเทียมกับความเป็นจริงได้ เพราะชาวโลกมนุษย์ผู้เปรียบเหมือนกับอยู่ในบ่อน้อยเป็นผู้มีประสบการณ์อันจํากัดในวงแคบย่อมคิดเปรียบเทียบและนึกฝันเอาตามประสบการณ์อันแคบของตนเป็นมาตรฐานทึ้งจะบรรยายให้พิศดารอย่างไรเขาก็นึกไปไม่ถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของโลกมนุษย์ก็จะไม่มีพอที่จะบรรยายให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้ดังนั้นยิ่งบรรยายมากไป ชาวโลกมนุษย์ก็มักจะยิ่งไม่เข้าใจและผลสุดท้ายก็เรือยิ่งไม่เชื่อหนักขึ้นอีกตัวอย่างเช่นการบรรยายถึงความสวย ง, งามของดอกไม้และภูมิประเทศเป็นต้นเราชาวโลกทิพย์ผู้ซึ่งได้ผ่านเข้ามาเห็นของจริงด้วยตนเองแล้วก็ย่อมรู้และเห็นอย่างแจ้งชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้มีความวิจิตรพิสดารและสวยสดงดงามเหนือโลกมนุษย์ อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เลยเราอยากจะพูดให้เขาฟังอยากจะบรรยาให้เขาเห็นจริงแล้วเกินแต่ก็ไม่รู้จะสรรหาคำพูดอย่างไรจึงจะให้ได้ความหมายลึกซึ้งทำให้เขาเกิดมโนภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ผลสุดท้ายก็ต้องกล่าวแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตพิสดารกว่าโลกมนุษย์อย่างมากมายหลายเท่า เช่นสิบเท่าบ้างยี่สิบเท่าบ้างเป็นต้นซึ่งเราก็รู้ดีว่าการบรรยายเช่นนี้ไม่มีผลนักเพราะชาวโลกมนุษย์ก็จะไม่สามารถวาดมโนภาพได้เลยที่ว่าสิบเท่าหรือยี่สิบเท่านั้นความจริงจะเป็นเพียงไรที่กล่าวมานี้ก็คือตัวอย่างของส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้เท่านั้น ไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเช่นความรู้สึกปีติยินดีต่างๆเป็นต้นการบรรยายให้ชาวโลกมนุษย์ฟังถึงความล้าลึกภไยสารของอารมณ์อันบังเกิดกับจิตใจโดยเฉพาะเช่นนี้เป็นเรื่องหมดหวังเอาจริงๆอย่างมากเราก็ได้แต่เพียงพูดว่าในตอนนั้นมีความปีติยินดีมีความรู้สึกเอิบอาบเป็นสุขอย่างยิ่ง หรือในทางตรงกันข้ามถ้ากล่าวถึงอบัยภูมก็ต้องว่ามีความทุกข์ทรมานมากลำบากเหลือแสนเป็นต้นคำบรรยายเหล่านี้เราชาวโลกทิพย์ผู้ได้ประสบและเห็นแจ้งแก่ใจมาแล้วย่อมรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายใกล้เคียงกับความจริงแม้แต่น้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะอธิบายให้ชาวโลกมนุษย์ทราบให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร เราก็ได้แต่ภาวนาขอให้เข้ามาเห็นด้วยตาของเขาเองและรู้ด้วยใจของตนเองเหมือนอย่างพวกเราเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามักจะได้รับการกซักไซไล่เรียงเสมอว่าเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในขณะแรกที่เรารู้ตัวว่าได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วและได้มีกายทิพเป็นตัวของตัวเองโดยสมบูรณ์ แน่ละความรู้สึกเช่นนี้สําหรับผู้ที่เคยติดอยู่กับกายเนื้อคิดว่ากายเนื้อเป็นตัวข้อตัวที่แท้จริงติดอยู่ในสันดานมาเป็นเวลานานนั้นย่อมเป็นของที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่อย่างบอกไม่ถูกทีเดียวมันคงจะมีความรู้สึกอันน่าพิสวงเลือกล้าเหนือความรู้สึกใดๆที่เราได้ประสบมาในชีวิตในสมัยที่ยังคลองกายเนื้ออยู่มากนัก ในการตอบคําถามเช่นนี้ข้าพเจ้าจะลองประมวลความรู้สึกอันเกิดกับผู้อื่นเช่นของเอ็ดวินและรูดเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเป็นทานองว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของท่านและได้ประสมภาษณ์คนทั้งสองมาฉะนั้นท่านทั้งหลายคงจะทราบมาแล้วว่าเอ็ดวินกับข้าพเจ้านั้นได้เคยเป็นพระมาด้วยกันในสมัยที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ เอ็ดวินเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือโลกหน้าแต่อย่างใดเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติทางสมาธิได้รับความลำบากต่างๆก็ดีได้เกิดประสบการณ์บางอย่างในทางจิตในระหว่างที่ปฏิบัติทางสมาธิอยู่ก็ดีเอ็ดวินก็เป็นบุคคลหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่เห็นอกเห็นใจในความลำบากของข้าพเจ้า และไม่ได้เหมาว่าข้าพเจ้าเป็นคนบ้าหรือถูกมารเข้าสิงดังที่บุคคลอื่นส่วนมากมักพากันมองข้าพเจ้าในแง่ร้ายต่างๆนาน า, นาซึ่งต่อมาเขาก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเขารู้สึกดีใจไม่น้อยที่ไม่ได้คิดเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นบ้าหรือถูกมารสิงเหมือนกับบุคคลอื่นอื่นอันที่จริงเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่นั้น ก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆทั้งหลายโดยทั่วไปนั่นเองคือไม่ได้มีความรู้ว่ามนุษย์เรานี้เมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์ซีลเกินและคงเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่มนุษย์จะเข้าใจได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดไปในทำนองนี้แล้วเขาจึงไม่ได้พยายามเสาะแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด คงคิดเอาง่ายๆว่าถึงเวลาเข้าก็คงจะรู้ได้เองอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เขาก็ได้พยายามประพฤติตนไปในทางที่ดีที่ชอบตามกําลังความสามารถเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงเคารพคำสั่งสอนของศาสนาอย่างจริงใจไม่ได้เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกหรือลวงโลกแต่อย่างไร เขาได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาพร้อมกับนึกคิดอยู่เสมอว่าเขาคงจะได้รับผลตอบแทนความดีดังกล่าวแล้วบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผลที่จะได้รับนั้นจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ได้มีความรู้แจ้งหรือวิตกกังวลอย่างใดนักตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาไม่ได้กระทํากิจทางาศาสนาเช่นสวดมนต์ไหว้พระแต่อย่างเดียว แม้ในเรื่องที่ต้องติดต่อกับผู้อื่นเขาก็พยายามอุตสาหะทำความดีตลอดมาเขาไม่เคยวางเฉยหรือดูได้ในเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ร้อนในการกระทำเช่นนี้เขาก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะอวดใครหรือเพื่อลาเลิกเอาบุญคุณแต่อย่างใดความดีต่างๆที่เขาได้กระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดมานี้เอง ได้มีส่วนช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากในเมื่อถึงคราวที่จะต้องจากโลกมนุษย์มาซึ่งชาวโลกเรียกว่าความตายผลแห่งความดีเช่นนั้นเองทำให้เขาได้มาเสวยสุขอยู่ณที่นี้หลังจากมรณกรรมแล้วความรู้สึกครั้งแรกของเอ็ดวินหลังจากได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วเขาได้กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยก่อนที่เขาจะตายเขานึกฝันเอาเองว่าโลกหน้าคงจะมีสภาวะมืดมืดมัวมัวคล้ายกับเมืองในหมอกและคงจะมีการสวดมวนต์ภาวนาสันเสริญพระผู้เป็นเจ้ากันแทบตลอดทั้งวันดังนั้นเมื่อได้มาเห็นโลกที่สวยสดงดงามยังไม่เคยคิดคาดฝันมาแต่ก่อนเลยเป็นโลกอันแท้จริงที่แจ่มใสสดชื่น ไม่มีสภาวะเป็นเมืองในหมอกหรือเป็นภาพเงาๆอย่างใดเช่นนี้ทำให้เขาในครั้งแรกแ้าไม่เชื่อสายตาของตนเองเบื้องหน้าและรอบกายของเขาเป็นภูมิประเทศอันเจริญตาเจริญใจเป็นอย่างยิ่งมีแม่น้ำลำทานไม้ผลไม้ดอกภูเขาและที่ราบบ้านเมืองและตึกรามใหญ่น้อยเช่นนี้ทาให้เขาอดนึกไม่ได้เลยว่า ภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นก็คงจะเป็นความฝันใช่มากกว่าและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็คงจะได้รู้ได้เห็นความจริงอันเจ็บปวดและทรมานในโลกมนุษย์เช่นเดิมส่วนภาพสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็คงจะหายวับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เช่นเดียวกับภาพในความฝันทั้งหลายนั่นเองเขาคิดแน่ใจยอยู่อย่างเดียวว่าโลกอันสวยสดงดงามเช่นนี้ดีเกินไป จนไม่สามารถจะเป็นโลกแห่งความจริงได้เลยด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอ็ดวินได้บอกแก่ข้าพเจ้าว่าเขายังดือ้อคิดว่าโลกทริปนี้เป็นโลกของความฝันอยู่พักใหญ่และนี่คือความรู้สึกครั้งแรกของเขาหลังจากที่ได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมานั้นเป็นการฟื้นขึ้นมาภายในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งเขารู้สึกตัวว่า กำลังนอนอยู่บนเตียงนอนอ่อนออ น, นุ่มและแเห็นสหายเก่าของเขาคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆ้าบุคคลผู้นี้ก็เป็นผู้นาวิญญาณของเอ็ดวินมาสู่โลกทิพย์ในทำนองเดียวกันกับที่เอ็ดวินนาวิญญาณของข้าพเจ้ามานั่นเองแต่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างคือเอ็ดวินได้รู้สึกตัวฟื้นขึ้นก็พบว่าตนเองได้มานอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังใหม่เสียแล้ว ส่วนข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าหลุดจากกายเนื้อมาตั้งแต่ขณะแรกคือตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองผู้ตายใหม่ๆเมื่อฟื้นขึ้นมาในโลกทิพย์มักไม่ยอมเชื่อว่าตนเองตายแล้วสหายของเอ็ดวินจึงพาเขาออกไปนอกประตูเพื่อให้ดูทัศนียภาพของโลกใหม่โดยรอบจากนี้ก็ถึงตอนที่เป็นภาระหนักที่สุดของเพื่อนของเขา ผู้มีหน้าที่รับวิญญาณของมนุษย์มาสู่โลกทิพย์คือจะต้องบรรยายให้เขาเห็นความจริงว่าเขาได้ตายมาแล้วจากโลกมนุษย์และบัดนี้เขาก็กำลังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ในโลกอีกโลกหนึ่งเป็นชีวิตจริงๆไม่แพ้ชีวิตในโลกมนุษย์นั่นเลยและโดยทั่วไปจะวิเศษพิสดารกว่าซิดวดซําท้งนี้เพราะผู้ที่ตายใหม่ มักจะไม่ใคยยอมเชื่อได้เลยว่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนมากเขาคงคิดว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็ดวินก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขากําลังฝันไปเป็นการฝันที่ดีที่ทําให้เขามีความผาสุกมากแต่มันก็ทําให้เขาได้รับความทรมานใจและหวั่วิตกมากเหมือนกันเพราะมันเตือนให้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าอีกไม่ช้า ภาพอันสวยสดงดงามและความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจเช่นนี้ก็คงจะหายวับไปเช่นเดียวกันกับในความฝันทั้งหลายที่เขาเคยฝันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วฉะนั้นและต่อจากนั้นเขาก็คงจะตื่นขึ้นมากลายเป็นคนป่วยเช่นเดิมเอ็ดวินได้กล่าวว่าก่อเขาจะรับเชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความฝันก็เป็นเวลานานขัวอยู่แต่รู้สึกว่า สหายของเขามีความอดทนและมีอารมณ์เย็นเป็นอย่างยิ่งในขณะที่แน่ใจว่าไม่ใช่ความฝันเขาก็รู้สึกว่าเกิดมีความปีติปลาโมดอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลยต่อจากนั้นเขาจึงเริ่มกระทาอย่างที่รู้กับข้าพเจ้าหรือคนอื่นกระทามาแล้วนั่นเองคือออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆด้วยความตื่นเต้นยินดีบัดนี้ เขาได้เป็นผู้มีอิสระพร้อมทั้งกายและใจไม่ต้องถูกผูกมัดอยู่กับพันธะหรือความลำบากและทรมานอย่างใดๆโดยสิ้นเชิงความรู้สึกครั้งแรกของรูทสำหรับรูทนั้นเธอได้กล่าวว่ามรณกรรมของเธอเป็นไปอย่างสงบสุขคือไม่ได้มีความทรมานมากมายนักในขณะสุดท้ายนั้น เธอได้หลับพลอยไปเหมือนคนนอนหลับตามธรรมดาได้สักครู่หนึ่งก็รู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านที่น่าอยู่และงดงามอย่างยิ่งหลังหนึ่งเช่นเดียวกับเอ็ดวินเธอได้พบเพื่อนเก่าของเธออยู่ข้างๆผู้ซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความสงสัยต่างๆนาน า, นาซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอแก่ผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ในระยะแรกๆตามปกติ รูธเป็นคนค่อนข้างพูดน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเธอมักไม่ค่อยเล่าอะไรให้ผู้อื่นฟังนักสำหรับเอ็ดวินนั้นข้าพเจ้ารู้จักเขาดีมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์จึงสามารถประมวลเหตุการณ์เกี่ยวกับความประพฤติและอัธยาศาัยใจคอของเขาได้มากพอสมควรแต่สำหรับรูธนั้น ข้าพเจ้าไม่เคยจะรู้จักมาแต่ก่อนเลยในสมัยเมื่ อ, อยังเป็นมนุษย์ดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงปฏะติประต่อกันมาได้จากการสนทนากันบ้างและการถามกันบ้างนานๆครั้งเธอได้กล่าวว่าตามปกติเธอก็ไม่ได้ไปวัดบ่อยนักที่เป็นเช่นนี้มิใช่เพราะว่าเธอไม่ได้นับถือศาสนาก็หาไม่แต่เพราะว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่สอนกันอยู่นั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตรงกันเท่าที่ทางพระสอนก็มีการกะเกนบังคับให้เชื่อเสียเป็นส่วนมากดูเหมือนจะไม่ให้ใช้เหตุผลหรือปัญญาเสียเลยนอกจากนั้นเธอรู้สึกเอาเองจากส่วนลึกของหัวใจว่าคำสอนเรื่องโลกหน้าก็ดีเรื่องวันพิพากษาโทษมนุษย์ก็ดีนั้นน่าจะมีอะไรผิดพลาดไปหลายอย่างเสียแล้ว ความรู้สึกเช่นนี้ทําความลำบากและอึดอัดให้แก่เธอมากในเมื่อต้องคบหาสมาคมกับผู้อื่นทั้งฝ่ายพระและคารวาดซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันคำสอนเรื่องที่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ทาบาปหรือเป็นผู้รับมรดกบาปอย่างชนิดเหวี่ยงแห่เช่นนี้เธอรู้สึกเอาเองว่าเป็นความอายุติธรรมอย่างยิ่งเพราะการที่บุคคล ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมในการทำบาปใดๆเลยแต่ต้องมาได้รับการประนามเอาดื้อๆว่าเป็นผู้มีบาปเช่นนี้เธอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้และความจริงก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงอยู่เราอาจจะไม่ใช่นักบุญหรือผู้สาเร็จไปหมดทุกคนก็จริงแต่เราก็คงไม่ใช่เป็นผู้มีบาปอย่างที่พวกพระตราหน้าไว้ไปเสียหมดทุกคน เท่าที่เคยพบปะสมาคมมาก็ปรากฏว่าบางคนไม่ได้มีคุณลักษณะที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้มีบาปได้เลยก็เมื่อในทัศนาของเขาซึ่งเป็นมนุษย์ยังมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าจะมีความทารุณโหดร้ายถึงขนาดลงโทษผู้ไม่มีความผิดได้ทีเดียวหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็แสดงว่าเธอมีความกรุณามากกว่าพระเจ้าเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวมานี้ทําให้เธอมีทัศนะเชื่อส่วนตัวของเธอเช่นนี้หากพวกพระทั้งหลายได้ทราบเรื่องเขาแล้วคงจะพากันตื่นตกใจในความเห็นอันแหวกแนวเช่นนี้อย่างขนานใหญ่และคงจะต้องกล่าวหาเธอต่างๆนานาเป็นทานองว่าวิญญาณของเธอ คงจะได้รับโทษทันอันไม่รู้จบเป็นแน่ในฐานะที่มีความคิดอุตริวิถีเช่นนี้แต่รู้ก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนหัวดื้อเอาการอยู่เหมือนกันเพราะเธอไม่เคยหวั่นวิตกในความคิดแวกแนวเช่นนี้แต่อย่างใดเธอคงยึดมั่นอยู่ในอุดมคติส่วนตัวของเธอเองไม่ดูดายในความทุกข์และความเดือดร้อนของผู้อื่น พยายามขนขวายหาวิธีช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปตามกำลังความสามารถและไม่เคยคิดหรือกระทำการใดๆเพื่อเบียดเบียนและประทุสร้ายผู้อื่นเลยเธอไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อความตายเท่าใดนักเพราะนึกเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆเธอก็คงสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้อย่างอดหาน และอนาคตของเธอหลังจากมรณกรรมแล้วก็คงไม่มืดมัวเกินไปนักแม้เธอจะยังไม่รู้แจมแจ้งว่าความเป็นอยู่ในโลกหน้าจะเป็นเช่นใดก็าตามอันที่จริงเธอก็รู้ตัวดีว่าไม่มีเหตุผลอย่างใดเลยในการที่จะถือเช่นนี้แต่ก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ ทำให้เธอมีความยึดมั่นอยู่ในความคิดเช่นนั้นเสมอนอกจากทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของภูมิประเทศรอบข้างซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นแล้วสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งก็คือความจ่าใสของบรรยากาศนั่นเองเธอรู้สึกทันทีในขณะแรกที่ลืมตาขึ้นว่าเหตุชไหนบรรยากาศของสถานที่นี้ จึงแจ่มใสยอย่างชนิดที่เธอไม่เคยนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เลยไม่มีหมอกหรือฝ้าหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เกิดความมัวในบรรยากาศโดยรอบเลยแม้แต่น้อยและรู้สึกว่ากำลังแข่งสายตาของเธอนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกตัวได้ทันทีว่าสามารถมองออกไปเห็นภูมิประเทศได้อย่างระยะไ ก, กลเหลือเกิน ความจริงเธอเป็นผู้มีจักสู่ประสาทละเอียดมาแต่เดิมแล้วคือสามารถแยกแยะสีสันวันณะต่างต่า ง, างได้ดีกว่าผู้อื่นแม้ในด้านการดนตรีเธอก็มีส่ประสาทอันได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเหมือนกันแต่ครั้นเมื่อเข้ามาสู่ภูมิเช่นนี้เธอก็รู้สึกว่าอินทรีย์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนเธอต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ในชั้นแรกเธอก็เป็นเช่นเดียวกับผู้เพิ่งย่างเข้ามาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆทั้งหลายคือยังไม่เคยจะเชื่อในประสาทสัมผัสของตนเองเท่าใดนักคอยแต่จะรู้สึกว่าเป็นภาพลวงตาเสร่ำไปเธอคิดว่าถ้าจะนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็คงจะกินเวลาหลายวันอยู่กว่าเธอจะไว้ใจในสภาวะความเป็นอยู่อันใหม่เช่นนี้ได้ต่อจากนี้ ข้าพเจ้าจะขอนําท่านไปพบกับบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นนักบวชเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าและเอ็ดวินเหมือนกันแต่ท่านเป็นผู้มีศักดิ์ในทางพระสูงกว่าเราทั้งสองเราได้พบท่านขณะเมื่อสนทนากันอยู่วันหนึ่งและข้าพเจ้าจะขอนําถ้อยคําของท่านจากการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้ามาเล่าสู่การฟังอีกสักรายหนึ่งท่านเล่าว่า ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ปรากฏตัวขึ้นในที่นี้ก็คือท่านได้รำพึงอยู่ในใจอย่างตื่นเต้นว่าสถานที่นี้เป็นบ้านเมืองของใครที่ไหนหนอจึงได้สวยงามตระการตาถึงเพียงนี้ครั้นต่อมาเมื่อท่านได้ทราบความจริงทั้งหลายแหลแล้วท่านก็รู้สึกเสียดายเวลาที่ได้ปล่อยให้ล่วงไปเสียเปล่าประโยชน์เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ เพราะท่านกล่าวว่าเนื่องจากท่านค่อนข้างจะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่สักหน่อยในสมัยนั้นจึงได้ใช้เวลาส่วนมากให้หมดเปลืองไปในงานพิธีอันหรูหรามีเกียรติยศและพิธีการเพิ่มพูนบารามีต่างๆมากมายซึ่งโดยมากก็หาแก่นสารอะไรไม่ค่อยได้นอกจากเป็นเรื่องเพียงแค่เปลือกเท่านั้นอย่างไรก็ตามท่านยังรู้สึกตัวเองว่า ยังคลอดดีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้ปล่อยใจให้หลงมัวเมาตามไปเสียทั้งหมดว่าโดยใจจริงแล้วท่านก็พอจะรู้อยู่บ้างเหมือนกันถึงความหาสาระมิได้ของพิธีการและกิจยศกิจศักดิ์เหล่านั้นแต่เมื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกระทำไปทํานองตามประเพณีนิยมเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทำให้ท่านผิดหวังเป็นอย่างมากก็คือ การที่ได้เห็นว่าคําสอนหลายอย่างของพวกพระในโลกมนุษย์นั้นเลี้ยวไหลใช้ไม่ได้เสียโดยมากเพราะเมื่อท่านได้เข้ามาเห็นสภาพการต่างๆตามความเป็นจริงด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าคําสอนที่ขู่เข็นต่างๆก็ดีความเชื่ออันงมงายไร้เหตุต่างๆก็ดีล้วนพังคลืนลงมายัางไม่เป็นท่าเลยทั้งสิ้นท่านรู้สึกว่า ท่านได้มีชีวิตอยู่ใต้ข้อบังคับขู่เข็นจุกจิกของพวกพระในโลกมนุษย์ซึ่งมากโดยกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกทิพนี้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไม่ยุ่งยากกวนใจเลอะเทอะและเต็มไปด้วยอคติต่างๆเหมือนในโลกมนุษย์ในที่นี้ไม่มีพิธีการหรือยศสักด์หรูหราใหญ่โตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงดังเช่นในโลกมนุษย์กล่าวโดวยรวบยอด ความเลอเลือดของโลกทิปนี้ก็คือว่าเรารู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ทั้งกายและใจจริงๆในด้านกายไม่มีความเหนียดเหนื่อยหิวกระหายโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดหมายเฉพาะผู้อยู่ในภูมิสุกติในด้านจิตใจไม่มีเรื่องของการขู่เข็นคุกคามหรือกดขี่ทุกประการ